เจรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15บตุลาคมพุทธศักราช5 5 5เป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังธรรมวันตับภกตัดชาติที่มีจำนวน นับไม่ถ้วนให้น้อยลงไปตามลําดับจากจํานวนนับไม่ถ้วนให้ลงมาเหลือจํานวนล้านจากล้านก็ลงมาแสนจากแสนก็ลงมาหมื่นลงมาพันลงมาร้อยจนมาถึงเจดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ถึงขั้นเจดชาติเป็นอย่างมากแล้วก็จะหลุดพ้นได้อย่างแน่นอน ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นเจดชาติเป็นอย่างมากก็ยังอาจจะกลับไปเพิ่มพบเพิ่มชาติขึ้นไปได้อีกถ้าไปเกิดในยุคในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยสอนมาคอยสั่งก็จะกลับไปเพิ่มพบชาติขึ้นมาใหม่ได้การเพบชาติการเพิ่มพบชาติหรือการตัดชาตินี้ก็อยู่ที่การกระทําของเรา ถ้าเราทำตามความโลภความโกรธความหลงทำตามความอยากอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในโผฏฐาพอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เท่ากับเป็นการเพิ่มภพชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเป็นรถยนต์ก็แทนที่จะเหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่ง ยิ่งเหยียบคันเร่งรถก็ยิ่งเร่งเร็วขึ้นถ้าเหยียบเบรกรถก็จะวิ่งช้าถ้าอยากจะตัดภพตัดชาติก็ต้องเหยียบเบรกก็ต้องมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาภาวนาทาจิตใจให้สงบทำจิตใจให้สงบเพราะนี่เป็นวิธีทางที่จะตัดภพตัดชาติ ที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนนี้ให้หมดไปในที่สุดได้มีทางของพระพุทธเจ้าเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายให้หมดสิ้นไปและสามารถทำให้ได้เสร็จภายในชาตินี้ด้วยไม่ต้องสะสมบารมีอย่างพระพุทธเจ้ามาเป็นกลับเป็นกัน เพราะตอนนี้มีอาจารย์มีคนสอนแล้วพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอาจารย์พระพุทธเจ้าก็เลยต้องคำทางไปคำทางไปก็ต้องใช้เวลานา น, านคำผิดคำถูกหลงทางบ้างออกนอกลูก่นอกทางมากจึงต้องใช้เวลาอันยาวนา น, า น, านแต่พอมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาก็เหมือนมีคนนำทาง ก็สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเราอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามที่ได้มาเกิดมาพบกับพุทธศาสนาเราควรที่จะรีบตักตวงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีอยู่ในใจของเราให้มากเหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มพยายามตักใส่ตุ่มก็ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะเวลาของเรานี้สั้นยาวไม่เท่ากันไม่มีใครรู้ว่าจะมีอายุยาวสั์เท่าไหร่คนบางคนก็อาจจะตายอายุยังไม่ทันแก่บางคนเกิดมาเพียงวันเดียวก็ตายบางคนเกิดมาทาิศหนึ่งก็ตายบางคนเกิดมาเดือนหนึ่งก็ตายปีหนึ่งก็ตาย1ิปีก็ตาย 20 30ปีก็ตาย40 50ปีก็ตายน้อยคนที่จะอยู่ไปถึงอายุ90้าสน้อยปีดังนั้นเราอย่าประมาทตอนนี้เรามีเวลามีความสามารถที่จะตัดตวงที่จะตัดชาติให้หมดไปได้ก็ควรที่จะรีบทำเสียอย่าไปให้ความสำนันกับการกระทำอย่างอื่น เพราะมันไม่ได้ช่วยตัดภบตัดชาติแต่กลับจะยืดพพชาติให้ยาวไกลให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกการมาเกิด น, นี้อยากไปคิดว่ามันดีเพราะเกิดมาแล้วต้องแกง่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพราดจากสิ่งที่เรารักกันต้องมากังวลวิตกหวงใยกลัวที่จะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนนั้นคนนี้ กลัวอย่างไรก็ไม่สามารถยับยั้งการสูญเสียได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาตัวเปล่าๆแล้วเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆ เ, เอาไปได้ก็คือพบชาติที่มากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่มีพบชาติเลย นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรายุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเหมือนการอยู่ในกองไฟนั่นเองมีแต่ความรูมร้อนมีแต่ความทุกข์หาความสุขนี้แทบจะไม่ได้เลยนาน า, นานจะมีความสุขสักนิดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทุกข์กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ กับคนนั้นกับคนนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้พวกเรามาตัดภบตัดชาติกันด้วยการมาทำบุญให้ทานด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการมาปฏิบัติธรรมเพราะจะทำให้เราได้ตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆ ที่เป็นเหมือนกับคันเร่งที่จะผลักดันให้ชีวิตของเรานะั้นไปเวืนว่ายตายเกิดอย่างต่อเนื่องถ้าเราตัดได้เหมือนกับเราเหยียบเบรกแล้วเราปล่อยคันเร่งรถก็จะชะลอตัวลงและถ้าเหยียบเบรกไปเรื่อยๆไม่หยุดเดี๋ยวรถก็หยุดพอรถหยุดแล้วเราก็ปลอดภัยลงจากรถได้ เวลาที่รถวิ่งนี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรถจะแหกโค้งจะไปชนกับคันนี้พันนั้นคันนี้หรือไม่ไม่มีใครรู้ mm hmm. แต่ถ้ารถจอดอยู่นิ่งๆแล้วปลอดภัยยัในใดถ้าจิตของเรายัางเวียนว่ายตายเกิดยไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะต้องไปเกิดในภพที่ดีเสมอไป <c oughs> เวลาไปเกิดในภพที่ไม่ดีก็จะต้องทุกข์ทรมานใจดังนั้นขอให้เรามาเหยียบเบรกกันดีกว่าเหยียบเบรกด้วยการฟังเทศฟังธรรมก่อนเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการกระทรรมที่สาคัญอย่างยิ่งเพราะก่อนที่เราจะทำอะไรได้ทำให้ถูกต้องเราต้องรู้จักวิธีก่อนการมาฟังเทศฟังธรรม เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันเราต้องกำจัดอะไรเราต้องชำระอะไรถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำแบบผิดผิดถูกๆูกและผลที่เราต้องการก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดก็น้อยหรือช้าแต่ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราทำตามที่ เราได้ถูกสอนมาให้ทำผลให้เราจะได้รับ ก, ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วนงที่มีผู้ที่ได้รับผลจากการฟังเทศฟังธรรมจากการปฏิบัติธรรมมาเป็นจำนวนมากแล้วทั้งในอดีตและในปัจจุบันปรากฏมีพระอรหันตสาวก เป็นพระ อ, อริยสสาวกเป็นสารณะที่พึ่งของชาวพุทธเรามามีเป็นจานวนมากเพราะท่านเหล่านี้ศึกษาก่อนฟังเทศฟังธรรมก่อนเมื่อฟังเทศแล้วก็นำออกไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาฟังเทศฟังธรรมต่อไป mm hmm. เพราะการฟังเพียงหนเดียวครั้งเดียวนี้ยังไม่พอทางศาสนานี้เราต้องฟังไปปฏิบัติไป พร้อมๆกันวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรเราก็เอาไปทำแล้ววันพระหน้าเราก็กลับมาฟังเทศใหม่แล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าเราได้ทำมากน้อยเพียงไรทำถูกหรือไม่ถูกเพื่อเราจะได้ปรับการปฏิบัติของเราให้ถูกต้องให้อยู่ในแนวทางที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของภพชาติได้ การปฏิบัติและการังธรรมนี้เป็นของคู่กันไปจนถึงวาระสุดท้ายคือถึงขั้นพระนิพพานเลยไม่ใช่ว่าฟังกันอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเรียนกันไปจนกระทั่งให้จบพระไตปิดกก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะจะจำไม่ได้แล้วก็จะลืมแล้วก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องฟังไปปฏิบัติไปแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษากับครูกับอาจารย์อย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าทำแบบผิดๆถูกๆก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นี่คือเรื่องของการตัดทบตัดชาติต้องตัดที่การฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังแล้วเราก็จะได้นำเอามาปฏิบัติต่ตอไป ขั้นแรกท่านสอนให้ทำํำบุญให้ทานทำว่าทานก็คือการให้คือจาคะการเสียสละเราต้องให้ในสิ่งที่เป็นของเราอย่าไปเอาของคนอื่นมาให้อย่างนี้ไม่เป็นทานเช่นเราไปเอาซองผ้าป่าไปแจกคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาถวายเราไม่ได้บุญคนที่เขาใส่เงินในสองเขาได้บุญแต่เราไม่ได้บุญ เราเพียงแต่ได้บุญจากการที่ได้ช่วยเหลือให้เขาได้ทำบุญให้ทานแต่เราเองไม่ได้ให้ทานเพราะเงินเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของเราถ้าเราอยากจะได้บุญที่เกิดจากการให้ทานเราก็ต้องเอาเงินของเราเองดังนั้นอย่าไปหลงคิดว่าเราเอาซองไปแจกคนอื่นแล้วได้เงินทองมามากมายมาทำบุญ เราคิดว่าเราจะได้บุญเราไม่ได้เลยแม้แต่บาดเดียวจากบุญเหล่านั้นเราได้ก็เพียงแต่บุญที่ไปรวบรวมเงินทองของคนอื่นมามาทําบุญเท่านั้นเองแต่เราจะไม่ได้ทานบารมีเราจะได้เพียงแต่รับใช้ผู้อื่นได้บุญจากการรับใช้ผู้อ่ช่วยให้ผู้อื่นที่เขาไม่สามารถมาทําบุญที่วัดได้เอามาทําบุญแนทนเท่านั้นเอง บุญที่ทำอย่างนี้จะไม่ได้มากเท่ากับบุญที่ทำเกิดจากการให้ทานเพราะทานนี้จะทำให้เราได้มีความเมตตามีความกรุณาทำให้เราสามารถรักษาสี่งได้เพราะว่าเราทำเพื่อตัดความโลภแต่การที่เราเอาซองไปแจกนั้นเราทำด้วยความโลภเราอยากได้เงินเยอะๆ เพื่อที่จะมาทำบุญถึงแม้ว่าจะเป็นการมาทำบุญแต่ก็เป็นความโลภไม่ควรจะทำแบบนี้เราทำเพื่อตัดความโลภไม่ต้องการให้มีเงินมากขึ้นต้องการให้มีเงินน้อยลงเพราะเงินนี้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีลต่อการปฏิบัติธรรมถ้าเรายังโลภอยากได้เงินยังหวงเงินอยู่ เราก็จะรักษาศินไม่ได้เวลาเราทำอะไรถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ได้เงินถ้าเราพูดความจริงเราก็จะไม่กล้าพูดความจริงเราก็จะพูดปดเราจะไม่สามารถรักษาศิลได้แต่ถ้าเราไม่โลภอยากได้เงินไม่หวงเงินเราทำอะไรถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ได้เงินถ้าเราพูดความจริงเราก็จะกล้าพูดความจริง เพราะเราไม่ต้องการเงินเราต้องการศีลมากกว่าเพราะศีลนี้มีคุณค่ามากกว่าเงินทองศีลนี้เท่านั้นแหละที่จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี้รับรองได้ว่าตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรก แต่ถ้าเราโลภอยากได้เงินทองและเราโกหกตายไปนี้เราจะต้องไปเกิดในอบายดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของศีลว่ามีคุณค่ามากกว่าของเงินทองเราให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่ถ้าทําบาปไม่รักษาศีลตายไปเงินทองกองเท่าภูเขาก็จะไม่สามารถยับยั้งการไปเกิดในอบายได้ มีเสียงเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยับยั้งการไปเกิดในอาบาไดา้ก็คือศีลดังที่ได้กล่าวไว้ในท้ายศีลเมื่อสักครู่นี้ว่าสีเลนะสุกติยันติศีลเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไปเกิดในสุขติถ้ามีศีนแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นเทพหรือ ก, ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่ต้องไปตกนรก นี่คือคุณค่าของศีลธรรมที่พวกเราอาจจะมองข้ามไปเพราะถูกอำนาจของความโลภความหลงครอบงำจิตใจทำให้เห็นว่าการได้เงินทองมานี้มีคุณค่ากว่าการได้รักษาศีลแต่จิตใจของเรานี้เสื่อมลงไปเวลาเราไม่สามารถรักษาศีลได้จิตของเราจะเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ ลงไปสู่การเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานพวเรามีถึงแม้ว่าจะมีร่างกายเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตใจจะเป็นมนุษย์เสมอไปจิตใจของคนเรานี้จะเป็นอะไรก็คืออยู่กับการกระทําของเราถ้าทาบุญรักษาศีลก็จะเป็นเทพถ้านั่งสมาธิก็จะเป็นพรหถ้า เจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราก็จะเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นพระอรหันต์แต่ถ้าไม่รักษาศีลไม่ทำบุญไม่ทำทานตายไปก็จะต้องไปเป็นเบลชานบ้างเป็นเปรตบ้างขณะปัจจุบันใจก็เป็นเปรตไปแล้ว เป็นเดระฉานไปแล้วถ้าทำบาปเพราะความโลภก็เป็นเดระฉานถ้าทำบาปเพราะความหลงก็เป็นถ้าทำบาปเพราะความโลภก็เป็นเปรตถ้าทำบาปเพราะความหลงความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะเป็นเดระฉานถ้าทำบาปเพราะความโกรธเกลียดอาฆาตปยาบาทก็จะเป็นนรกนี่คือเรื่องของกรรมคือการกระทำของเรากรรมเป็น เพื่มนจะแยกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรต่างๆกันอยู่ที่กรรมคือการกระทำทำบุญก็จะได้เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าทำบาปก็จะได้เป็นเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกและเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นตั้งแต่ขณะที่ยังมีร่างกายอยู่เพราะใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายว่าจะเป็นหรือจะตาย ใจจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับการกระทำทำอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีอย่างวันนี้พวกเราก็มาเป็นเทพกันเรามารักษาสิงเรามาทำบุญให้ฐานถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจของเราก็จะเป็นพรหมถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดต้องมีดับเป็นธรรมดา แล้วปล่อยวางได้เราก็จะเป็นพระาอาริยเจ้าขั้นต่างๆนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาตัดพพตัดชาติถ้าเราเข้าถึงขั้นพระาอาริยะเจ้าได้ขั้นปัญญาได้ขั้นเห็นใจรักได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แป ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆตัดความอยากได้เมื่อตัดความอยากได้แล้วภพชาติก็จะมีกำลังอ่อนลงไปน้อยลงไปได้เรื่อยจนกระทั่งหมดไปถ้าหมดความอยากเมื่อไหร่ก็จะหมดภพชาติเมือนั้นภพชาติความอยากนี่ก็เป็นเหมือนน้ำมันรถ ถ้าเราไม่เติมน้ำมันรถเราวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอน้ำมันหมดรถมันก็หยุดรถมันก็วิ่งไม่ได้ใจของเราก็เป็นเหมือนรถที่มีน้ำมันคือตันหาความอยากคอยดันให้เราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายในภพน้อยภพใหญ่ถ้าเราเติมน้ำมันอยู่เรื่อยเติมความอยากอยู่เรื่อยทุกครั้งอยากอะไรก็ทำตามความอยาก ก็เท่ากับเติมน้ํามันของภพชาติให้มีให้จิตใจไปเกิดในภพมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องฝืนความอยากเช่นวันนี้อยากจะดื่มสุราก็ดื่มไม่ได้เพราะเราถือศีลน้าถ้าเราอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าเราถือศีลแปดเราก็ร่วมหลับนอนไม่ได้ถ้าเราอยากจะกินข้าวเย็น ถ้าเราถือศีลแปก็กินไม่ได้ทนี่คือเครื่องมือที่จะยุติความอยากของเราเราจึงต้องพยายามรักษาศีลกันให้ได้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องปเกิดแนบายนะคถ้ารักษาศีลแปดได้ก็จะทำให้ภพชาติของเรานี้มีน้อยลงไปเพราะเราจะตัดความอยากทางตาหูจมูกลื่นกาย ไม่ให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่มีให้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพวกชาติที่มีนับจำนวนไม่ท่วนก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามลำดับของการตัดความอยากต่างๆพอตัดความอยากทั้งหลายหมดไปแล้วก็จะไม่มีพกชาติตามมาแต่การรักษาศีลนี้ไม่มีกำลังพอที่จะตัดความอยากได้หมด เพียงแต่เบรคมันไว้เพียงแต่ต้านมันไวเท่านั้นเช่นวันนี้เราก็ต้านมนไว้สักหนึ่งวันเรามาถือสีแปดการ น, นี้เราก็ต้านความอยากในรูปเสียงกินลดแต่พอพรุ่งนี้เราไม่รักษาศีแปดมันก็เราก็จะต้านความอยากไม่ได้พรุ่งนี้เราอยากจะกินเหล้าเราก็กินได้ถ้าเราไม่รักษาศีล ถ้าเราอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนเราก็หลับนอนกับเขาได้ถ้าอยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ทำได้ถ้าเราทำมันก็เท่ากับเรากำลังเติมน้ำมันของพบชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองถ้าเราอยากจะตัดพบชาติด้วยการใช้ศีลเป็นเครื่องเราก็ต้องรักษาศีลแปะไปตลอด แต่การรักษาสิ่งแต่ก็ไม่สามารถทำให้ความอยากหมดไปได้เพราะความอยากนี้จะหมดได้ก็ต้องหมดได้ด้วยการใช้ปัญญาต้องเห็นโทษของความอยากเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากไม่ใช่เกิดจากการตัดหยุดความอยากเช่นเวลาเราอยากจะดื่มสุรา เราจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะทำให้ใจเราหายจากการไม่สบายใจเราต้องไม่อยากไปดื่มสุราเพราะถ้าเราหยุดความอยากดื่มสุราได้ความทุกข์ไม่สบายใจของเราก็จะหายไปดูคนที่เขาไม่อยากดื่มสุราดูเขาทุกข์หรือไม่เปรียบเทียบดูคนสองคนคนหนึ่งอยากดื่มสุราอีกคนหนึ่งไม่อยากดื่มสุรา คนไหนสบายใจคนไหนไม่สบายใจถ้าเราอยากจะสบายใจเราก็ต้องทำเหมือนกับคนที่ไม่อยากดื่มสุราเวลาอยากจะดื่มสุราก็ต้องไม่ดื่มฝืนมันอย่าไปดื่มมันถ้าไม่ดื่มมันไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากดื่มมันก็จะหายไปเพราะมันรู้ว่าอยากดื่มก็ไม่ได้ดื่มอยู่ดีอยากไปให้ไม่สบายใจเปล่าๆทาไมนี่คือ เราต้องเข้าถึงขั้นปัญญาต้องเห็นอริยสัจ ส, สีต้องเห็นว่าความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆของเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นแต่เกิดจากความอยากของเราอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทำให้เราไม่สบายใจเช่นคนเวลาคนเขาด่าเราอย่าไปโทษเขาว่าทำให้เราไม่สบายใจต้องโทษเราที่เราไปอยากไม่ให้เขาด่าเราต่างหาก ถ้าเราอยากจะให้เขาด่าเราจะสบายใจเราจะดีใจเพราะ <im itating> เราจะสงใจเวลาเราอยากจะได้อะไรแล้วเราได้นั้นเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกดีใจใช่ไหมอยากจะกินเหล้าเราได้กินเหล้าก็ดีใจถ้าอยากจะสบายใจดีใจกับการด่าก็ต้องอยากให้เขาด่าเวลาเขาด่าเราแล้วเราก็จะได้ดีใจที่เราไม่ดีใจเพราะเราอยากไม่ให้เขาด่า เราอย่าไปโทษเขาอย่าไปว่าเขาว่าทำไมปากเข้า ร, ร้ายเหลือเกินทำไมใจเขา ร, ร้ายเหลือเกินทำไมเขาไม่เห็นใจเราไม่สงสารเราเราอย่าคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็เท่ากับทำให้เราใจไม่สบายเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่ให้ด่าเราไม่ได้สั่งให้เขาชมเราไม่ได้ เขาอยากจะด่าเราเขาก็ดา่าเขาอยากจะชมเขาก็ชมดังนั้นเราอยากไปอยากถ้าอยากให้เขาชมแล้วเขาไม่ชมเขาด่าก็จะเสียใจถ้าอยากจะไม่เสียใจถ้ากลัวกลัวคนจะดา่าก็หัดชอบหัดให้เาหัดอยากให้เขาด่าเสียใครอยากจะด่าก็เชิญเลยให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับคำด่าของใคร เพราะใจเราไม่ต่อต้านนั่นเองไม่มีความอยากไม่ให้เขาด่าเรานี่คือปัญญาที่เราจะต้องเห็นให้ได้เพราะถ้าเห็นแล้วว่าความทุกข์ของเราทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะสบายเช่นเราอยากออกไปเที่ยวข้างนอกนี้ถ้าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคานใจไม่สบายใจ ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าอาไม่ออกก็ได้อยู่บ้านก็ได้พอเราหยุดความอยากออกไปนอกบ้านได้เราก็จะอยู่บ้านได้อย่างสบายใจไม่วุ่นวิบไม่ลำคาญใจอยู่กับใครก็อยู่ได้ถ้าเราอยากไปอยากให้เขาเ ป, เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเอาศีรษะเดินก็เรื่องของเขาเขาจะคานก็เรื่องของเขาเขาจะเดินถอยหลังก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปตัวใครตัวมันใครทำอะไรก็จะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำของตนนั่นแหละไม่ใช่ผู้อื่นจะมารับผลแทนกันได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีการกระทำเป็นของตนจะทำอะไรก็ตามดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของการ น, นั้นนี่คือหลักของปัญญา ถ้าเราเห็นความจริงว่าเราไปทำอะไรไม่ได้สั่งคนอื่นไม่ได้ห้ามคนอื่นไม่ได้ห้ามฝนฟ้าแดดต่างๆไม่ได้ฝนจะตกห้ามไม่ได้ฝนจะหยุดก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่สบายใจนี่คือปัญญาที่เราต้องพยายามมองให้เห็นมันอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไหน ความอยากนี้อยู่ในใจความไม่สบายใจก็อยู่ในใจพยายามมองใจเราอยู่เรื่อยๆเฝ้าดูใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความไม่สบายใจของเราเราจะเห็นความอยากที่ทำให้เราไม่สบายใจพอเราเห็นเราก็จะหยุดความอยากได้ทำใจของเราให้สบายได้เช่นเวลาเราอยากกินเหล้าเราก็ดูที่ใจเราว่าตอนนี้ใจเราไม่สบายเพราะอะไรเพราะอยากกินเหล้า นั้นถ้าอยากจะสบายก็หยุดความอยากกินเหล้าเสียเท่านั้นเองพอเราเปลี่ยนใจว่ า, าไม่กินก็ได้พอเราไม่อยากกินเท่านั้นความไม่สบายใจก็หายไปแล้วจะทาให้เราตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็หมดไปถ้าเราคอยเฝ้าดูใจของเราดูความไม่สบายใจของเราว่าเกิดจากความอยากของเรา แล้วแก้ที่ตรงนี้อย่าไปแก้ที่ข้างนอกการไปแก้ข้างนอกนี้เป็นการไปเพิ่มภพเพิ่มชาเช่อยากจะออกไปข้างนอกเราก็ออกไปอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ออกไปอาจจะทำให้เราหายความไม่สบายใจไปชั่วทางแต่พอรากลับมาอยู่บ้านใหม่พออยากจะออกไปใหม่ก็จะไม่สบายใจอีกแต่ถ้าเราหยุดความอยากออกไปข้างนอกได้ต่อไปเราอยู่บ้านเราก็จะไม่เดือดร้อน เราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสบายใจนี่คือวิธีของการตัดภพตัดชาติเราต้องตัดด้วยการทำบุญให้ทานตัดด้วยการรักษาศีลเริ่มต้นที่ศีล5แล้วก็ศีล8แล้วถ้าถ้ามากกว่านั้นก็ศีลริแล้วก็มาทำใจให้สงบทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เกิดปัญญา ให้เห็นว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราแล้วถ้าอยากจะดับความไม่สบายใจเราก็ต้องละความอยากเราก็ต้องหยุดความอยากเปลี่ยนใจไม่อยากก็ได้ให้คิดอย่างนี้เพราะเปลี่ยนใจได้แล้วใจก็จะหายจากความไม่สบายใจภบชาติก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับและหมดไปได้ในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการนวัต